บทนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปดังได้กล่าวมาแล้วโดยบรรดับว่าธรรมะทั้งบททั้งหมดที่พระพุทธเจ้าตรัสรูปเมื่อเรากล่าวโดยสรุปแล้วจะมีไม่มากเวลาเกาะกลุ่มเป็นกลุ่มใหญ่ ก็คืออริยสัจทั้งสี่ประการและอริยสัจทั้งสี่ประการนั่นเองก็คือสกลจักรวานทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามก็อยู่ในกลุ่มของอริยสัจทั้งสประการทั้งนั้นแต่ธรรมะในแนวที่จะต้องประพฤติและจะต้องปฏิบัตินั่นราใช้คําว่ากรละกะบําเพ็ญ จำนวนที่คุ้นมากก็คือลกความชั่วประพฤติความดีจะมีพูดถึงกิ่งก้านสาขาที่แตกแย ก, กออกไปจำนวนมากแต่ถ้าที่มองกลับมาที่รากเดิมจริงๆเราจะพบว่าฝวายกุศลและธรรมที่กวรบาเพ็ญก็มีปัญญาเป็นหลักควายอากุศลที่ควรละก็มีอวิชชาเป็นหลัก ก็เหมือนกับโลกเราที่มีภาวะเป็นสองที่ท่านใช้คำว่าทวิภาวะคือสิ่งที่แก้กันเป็นปฏิปักษ์กันเ็อยู่ตรงกันข้ามพอสีหนึ่งปรากฏสิ่งหนึ่งก็จะไม่ปรากฏถึงความคิดเหล่านี้พระโพธิสัตว์หรือพระเจ้าของเราก่อนจะศัรูก็ทรงคิดมาแล้วเพราะโลกนี้มีของแก้กันอยู่ มีร้อนก็มีเย็นแก้มีกลางคืนก็มีกลางวันแก้มีทุกข์ก็มีสุขแก้ก็แสดงว่าในขณะที่โลกมีทุกข์เนี่ยมันจะต้องมีความสุขเข้ามาแก้ได้แต่ปัญหาสำคัญว่าอยู่ที่ไหนท่านั้นเองตัวจุดนี้เองทําให้พระองค์ได้เสด็จไปค้นคว้าสแสวงหาด้วยวิธีการต่างๆและจุดพบทาง ทางนรานพอสืบสาวก็จริงมันก็ไปเจอตัวเหตุใหญ่ก็คืออวิชชาซึ่งสามารถจะแก้ได้เด็ดขาดจริงๆก็ด้วยวิชาคือความรู้ทำรองเดียวก็เราจะแก้ความมืดจะแก้ด้วยอย่างอื่นไม่ได้เลยนอกจากแสงสว่างเราจะแก้ความร้อนไม่ได้เลยนอกจากความเย็นเราจะแก้กลางคืนไม่ได้เลยนอกจากกลางวัน แต่สิงทั้งสองนี้ที่จริงไม่อยู่ร่วมกันในขณะที่มีความร้อนก็ไม่มีความเย็นในขณะที่มีความทุกข์ก็มีความสุขในขณะที่เป็นกลางคืนก็ไม่เป็นกลางวันในจุดเดียวกันในขณะเดียวกันท่นั้นเวลาพระเจ้าทรงสั่งสอนแต่เรมองกลับไปที่ตอนต้นที่ทรงตัดสินพระไทรจะสอนธรรมะ ครานั้นจริงๆพระพุทธเจ้ามองที่จะช่วยคนให้หลุดรอดจากความทุกข์เช่นเดียวกับที่พระองค์หลุดพ้นมาคือตั้มก็ไทยเอาอย่างนั้นจริงๆแต่ปรากฏว่าพอมองคนแล้วมองธรรมะมองธรรมะแล้วมองคนปรากฏมันไปกันไม่ได้ในขณะที่ธรรมะเป็นของลึกซึ้งคนกลับเป็นผู้ตื่นในธรรมะ ในขณะที่ธรรมะเป็นของที่รู้ได้ยากแต่คนกลับไม่ค่อยมีความฉลาดในขณะที่ธรรมะสงบคนฟุ้งสัานคนวุ่นวายคนไม่สงบในขณะที่ธรรมะประณีตคนไม่ประนีตในขณะที่ธรรมะจะต้องอาศัยการพัฒนาปัญญาขึ้นไปโดยลำดับคนไม่พร้อมไม่พอใจไม่ยินดีที่จะพัฒนาปัญญา ในขณะที่ธรรมะจะต้องอาศัยความเป็นบัณฑิตอยู่ภายในใจคนจึงจะเกิดความรอบรู้ได้ปรากฏว่าคนส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นบัณฑิตในขณะเดียวกันกิเลสที่ตรงใช้คำามามากไปด้วยความอะไรคำว่าอะไรนั้นคืออะไรอะไรนั้นก็คือการมคุณ เป็นลักษณะยึดเหนี่ยวจิตใจผูกพันจิตใจของคนเอาไว้แม้จะอยู่ห่างกันคนละมุมโลกแต่ถ้ายังมีความรู้สึกเหล่านี้อยู่ก็จะผูกพันเยอใหญ่สิเนหาเอาไว้จะมีความไิตกกังวลเดือดร้อนห่วงใยต่อวัตถุกรามเหล่านั้นนั้นคำสอนในตอนแรกเนี่ย ที่งวางเป็นรูปศีลสมาธิปัญญาหรือสอนชาวบ้านเป็นรูปคนณทานศีลภาวนาทั้งสายชนทั้งหลายจะสังเกตได้ว่าในยุคสมัยของพระพุทธเจ้านั้นเป็นยุคที่เรียกว่าวัตถุมันเจริญมากในขณะเดียวกันจิตใจก็เจริญแข็งกันมา มีเศรษฐีบางคนรวยจนไม่รู้จะนับทรัพย์ยังไงก็เรียกว่านับไม่ได้มีทองคําเป็นไม่ใช่เป็นริ่มๆเป็นก้อนๆอย่างเบนตะเกษฐีปู่ก็นางวิสาขามีแพะทองคําเป็นจํำนวนมากคําว่าเบนกะก็แปลว่าแพะแพะแต่นั่นเองแล้วเศรษฐีที่มีแพะเป็นทองคํามากขึ้น เรการสั่งสอนในแนวนี้ที่จะสำรอกความกำหนัดความเพลิดเพลินในวัตถุการามให้ค่อยจางลงไปจึงไม่ใช่เรื่องที่ทำได้ไง่ายคำสอนพระธรรมเทศนากันแรกของพระพุทธเจา้าที่เรียกว่าธรรมจักกัปปะตนะสุก็ทรงเริ่มจ ง, งนี้เลยแต่ว่าเน้นไปที่บรรพชิตคือนักบวช ว่าไม่ควรเดินไปสองทางคือทางในเรื่องวการามสุขกา ร, ริการมุโยกการประกอบตนในพัวพันหมกมู่นบุนวายอยู่ในวัตถุการมทั้งหลายโดยอํานาจของกิเลสกาตลอดตั้งอีกแนวหนึ่งที่เป็นจิตนิยมก็คือการทรมานตัวเองมันเป็นสุดตรงทั้งสองฝ่ายคือไม่ได้เลือกโดยการทั้งสองฝ่าย เพราะมันขาดสายกลางคําสอนในทางพุทธศาสนาที่จริงไม่ได้ทิ้งหมดแต่ก็ปรับมาอยู่ตรงกลางหมายความเป็นยังไงหมายความวัตถุก็ต้องมีเพราะชีวิตเราต้องอาศัยวัตถุเหล่านั้นที่เรียกว่าปัจจัยสเราเองอาศัยเขาและเราเองก็ทีจริงก็เป็นวัตถุตัวรูปร่างกายก็เป็นวัตถุเราทิ้งเขาไม่ได้เราขาดเขาไม่ได้ แต่ถ้ามีมากคิดมั่นมากมันก็เดือดร้อนมากเอาจะเรียกว่าพอดีพอดีที่เรียกว่ามัชชิมาปฏิปท า, านย้ายมีปัญหาเพราะไม่มีแต่อย่าให้มีปัญหาเพราะอยากมีไม่มีก็มีปัญหาคือเดือดร้อนทางกายอยากมีก็มีปัญหามันเดือดร้อนทางใจทํายังไงว่ากายกับใจเนี่ยจะประสานสัะพานกัน เรียกว่ากายไม่กระสับกระส่ายเพราะความหิวโหยรุนแรงเสียดแทงขาดที่อยู่ขาดเครื่องนุ่งห่มขาดอาหารขาดยาแก้ไข่ก็ตายก็อยู่ไม่ได้หรือแม้แต่น้อยไปเนี่ก็อยู่ไม่ได้เพราะว่ากายจะกระสับกระส่ายเมื่อกายกระสับกระส่ายใจก็จะกระสับกระส่ายแต่ทีนี้ถ้าใจไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอไม่รู้จักเต็ม ใจก็ดิน้นเพื่อขล่อยคว้าพืปรารถนาเพื่อได้เพื่อมีเพื่อเป็นแต่ก็มาปนปลือร่างกายร่างกา ย, ยเต็มไปด้วยเนื้อหนังมังสาที่หาสารแก่นสารอะไรไปได้เป็นการปรนปลือเราจึงพบในสมัยนั้นว่าคนที่รวยในเชิงวัตถุ ก, ก็มหาสาลจริงๆ คนที่ปนปลือในเรื่องวัตถุ ก, กามรมคือเรื่องเพศก็มากจริงๆมีไปรูปไาเรมมีเป็นเรื่องผู้ชายคนเดียวผู้หญิงเป็นร้อยๆพันๆแล้วก็สิ่งเหล่าเนี้ยไม่ได้อยู่เฉพาะที่ชมพูทวีปแต่ก็อยู่ไปนในทางยุโรปอยู่ไปทางจีนอยู่ไปนางส่วนต่างๆของโลกนั่นคือร่องรอยทั้งสองร่องรอย ร้องรอยของการปนปลื้มหรือวัตถุกรรมที่มากเกินเหตุกับร่องรอยที่มัวมองหมกมุ่นอยู่ในการทรมาณตัวเองยังหนึ่งทําให้จิตกระสรับกระสายยานหนึ่งทำให้กายกระสรับกระสายแต่การปฏิบัตินั้นใจกับกายจะต้องประสานสะพานกัน มันจะว่านั่งสมาธิปวดไปหมดทั้งตัวแล้วก็จะให้เกิดสมาธิเ ป, เป็นไปไม่ได้ร่างกายต้องไม่กระสับกระสายด้วยที่ต้องใช้คำว่าสับปายะคือร่างกายจะต้องสบายเพื่อจะเป็นฐานเป็นที่ตั้งของใจที่สบายพุทธะนาก็ปรับมาอยู่ตรงกลางไม่ถึงก็ทิ้งแต่มาอยู่ตรงกลางถามวัตถุ ก, กรรมมีไหมก็มี ทาการทรมานร่างกายมีไหมก็มีจึงการอดกลั้นคนอดทนความเพียรพยายามได้จริงก็ต้องทรมานทั้งนั้นแต่ทรมานในลักษณะที่พอดีไม่มากเกินไปจนทำอะไรไม่ได้จนเสียหายหรือไม่น้อยเกินไปจนจนทำอะไรไม่ได้เราดูแล้วคล้ายๆกับเราจะขันน็อตอะไรสักอย่างหนึ่ง ถ้าตั้งหลายจะสังเกตได้ว่าถ้าน็อตที่เราจะขัดนั้นโตไปมันก็ขัดลงไปไม่ได้ถ้าเล็กไปมันก็ขัดไม่ได้จะต้องพอดีจึงสามารถขันนดน็อตตัวนั้นให้อยู่ได้แต่การจะวางข้อในการประยุกติเพื่อขัดเก่าเนี่ยมันจะมีลักษณะเหมือนกับเอาไม้ท่อนหนึ่งมาทําเป็นเฟอร์นิเจอร์ เครื่องมือที่จะใช้ได้ต่างกันจะถามวาทำไมเพราะสถานะของท่อนไม้นั้นต่างกันแต่เครื่องมือแต่ละชิ้นนั้นจะเป็นปัจจัยสนับสนุนกันในขณะเดียวกันก็สร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นแก่วัตถุที่เราจะใช้เครื่องมือเหล่านั้นในตอนแรกอาจจะเป็นขวานต่อมาอาจจะเป็นเลือ่อยอาจจะเป็นกบอาจจะเป็นกระดาษทรายอาจจะเป็นลักเกอร์ มาโดยลําดับเราจะเห็นว่าทั้งขวานทั้งเลือ่อยทั้งกบทั้งกระดาษทรายหนากระดาษทรายบางเล็กเกอร์ล้วนเป็นปัจจัยของการอะไกันแต่ยาานั้นสร้างความเปลี่ยนแปลงนะแก่ท่อดไม้ทอด น, นั้นแหละแต่เราใช้เครื่องมือคนละอย่างกันทอดไม้นั้นก็มีค่าขึ้นไปโดยลําดับเครื่องมือก็ปรับเปลี่ยนกันไปเพื่อทําเรื่องเดียว คือทำไม้ตอนนั้นเองให้มีค่าคิดการบัตรธรรม ก, ก็เป็นเช่นเดียวกันที่ทรงวางรูปทานศีลทานศีลปัญญานั้นทานศีลภาวนานั้นเราเห็นว่าชาวบ้านเนี่ยมีวัตถุสิ่งของอยู่มากและเกี่ยวข้องกับคนมากมีวงศาคณาญาติมีเพื่อนฝูงมีคนรับผิดชอบทำยังไงอย่า ให้โลภมากเกินไปหเห็นแก่ตัวมากเกินไปให้มีน้ำใจต่อคนอื่นโอปอ้อมอารีเอเื้อเฟื้อเผื่อแผ่สงเคราะห์ช่วยเหลือเจือจานกันโดยคำสอนที่เรียกว่าทานทานจังไม่จำเป็นมาต้องทำกับพระให้เพื่อการสงเคราะห์นุเคราะห์ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเป็นการลดอะไรลดความโลภ จะถามว่าลดความโลภอย่างเดียวไหมก็บอกว่าเปล่าลดความโกรธ ด, ด้วยซึ่งประชาชน่าสังเกตที่ใจของเราเองจะเห็นว่าแม้เราจะมีวัตถุสิ่งของอยู่มากแต่ถ้าคนคนนี้เราโกรธเขาเราให้ก็ไม่ได้เราจะไม่ยอมให้คนนั้นถามว่าทําไมเพราะความโกรธเนี่ยมันปิดบังเอาไว้จะไม่ยอมสงเคราะห์ชื่อเดือคนที่เราโกรธ แต่การที่ให้ได้เนี่ยก็หมายความว่าความโกรธนั้นถูกกระจัดออกไปเราจึงให้แก่คนที่เราเคยโกรธมาได้ถามลดเฉพาะโลกโกรธอย่างเดียวหรือก็ตอบมเปล่าลดลงได้ด้วยเพราะปัญญาพิจารณาเห็นทั้งความจริงว่าคนเราที่อยู่ร่วมกันนั้นจะเป็นจะต้องพึ่งพาใส่กันและกัน แบ่งกันกินแบ่งกันใช้ช่วยเหลือเจอจานกันเขาขาดแคลนเรามีเหลือเฟือเราก็ช่วยเหลือเขาเขามีเหลือเฟือเขาพอจะสงขคราะเราได้เขาก็สงขคราะหเราเราะเราเราแสดงว่าปัญญามันเกิดขึ้นพินิจพิจารณาอย่างน้อยเห็นขนาดนี้มันก็ให้ได้อย่งางบางีคิดง่ายๆเนกาสีลาปเตสุขขังกินคนเดียวไม่ได้สุข มีกินเหลือกินก็แบ่งให้เพื่อนก็กินบ้างแบ่งให้เพื่อนก็ใช้ป้าซึ่งแสดงว่าตรงนี้ลดทั้งโลภทั้งโกรธทั้งหลงแต่ว่าพอมาถึงเรื่องของศีลจึงจะเป็นนักบวชกว็าตามเป็นชาวบ้านก็าตามถ้าท่านหลายจะเห็นว่าเอาก็จริงแล้วศีลมันก็แก้ที่โลก แก้ที่โลกเป็นหลักไว้ก่อนในขณะเดียวกันก่อนจะมีศีลปัญญาก็ต้องไปเจริขุณของศีลเล่นโทษของการไม่มีศีลแสดงว่าศีลมันก็แก้โมฆะได้ด้วยแต่เน้นไปที่ประเด็นหลักก็คือความโลภ ก, การฆ่านั้นส่วนใหญ่จะเป็นฆ่าเพราะโลก การลักขโมยนั้นเป็นการโลภในวัตถุสิ่งของที่เราเรียก ร, มรวมๆวัตถุการมจแสดงว่าวโลภแรงมากจนคุมไว้ไม่ได้อยู่ในทิศทางที่เหมาะที่ควรไม่ได้จนถึงก็ไปลักขโมยของคนอื่นตัว น, นี้สอนลดโลภในระดับไม่ขโมยคนอื่นถามว่ายังโลภอยู่ไหมก็ยังโลภอยู่ เพียงแต่ถ้าต้องการจะได้สิ่งนั้ น, น, นมาเขาก็ใช้ความเพียรพยายามเสแสวงหายได้มาในทางที่ชอบที่ควรมีปัจจัยสี่เรียบร้อยมีฐานะมั่นคงได้เรียบร้อยไม่มีปัญหาอะไรเพราะคำสอนระดับศีลอยู่ที่อย่าถึงกับโลภจนไปขโมยของของคนอื่นเท่านั้นเองไม่ใดถึงก็ห้ามโลภคงโลภอยู่เพียงแต่คุมโลภได้ เการเมโุมิชฌาจานันศีลกิเลสข้อโลภะเนี่ยท่านจะแบ่งออกเป็นสองสายและเวลาสอนพระเจ้าจะเน้นย้ำแตกต่างกันถ้าสอนชาวบ้านเนี่ยจะทรงใช้กำว่าโลภะโทสะโมหะเปลว่าโรคอดลงเพราะชาบ้านจะมีปัญหาเพราะโลก ในสุดยื้อแย่งกันต่อสู้การแย่งที่ดินการแย่งคู่ครองการแย่งอํานาจการแย่งผลประโยชน์กันแล้วก็ฆ่ากันเป็นศึกสงครามยุ่งอยู่ตรงเนี้มันมีทั้งโลกทั้งกฎทั้งหลงแต่ปัญหาใหญ่เป็นอยู่ที่โลกที่เราพูดเราปรัญหาเรื่องปากเรื่องท้องปัญหาเศรษฐกิจมันมาจากโลกนั้นยันในปัจจุบันนี้จะเห็นได้ชัดเจนว่าแต่ละปีเนี่ย เขาจะประมาณการเอาไว้กาหนดเป้าหมายเอาไว้ว่าลงทุนเท่านี้ได้กำไรเท่านี้ถ้าไม่ได้กำไรตามเป้าเนี่ยก็ถือว่าขาดทุนเราเยนวัตถุ ก, กรรมที่เอื้อมไปโลภนั้นที่จริงมันเป็นนามธรรมมาเป็นอากาศธาตุมันเป็นสิ่งที่ปรุงกันมาจากกิเลสคือความอยากได้มาแต่นั้นก็คือโลกในขณาดเดียวกันเนี่ย ในส่วนของทางเพศซึ่งก็สร้างปัญหาในเรื่องชู้สาวพระเจ้า ก, ก็สอนระดับให้งดเว้นการเกี่ยวข้องกับคู่ครองของคนอื่นหรือบุคคลต้องห้ามในการล่วงเกินที่จริงก็ทรงจำแนกแสดงไว้เป็นจํานวนมาก หมายความว่ามีการมราคาอยู่ไหมก็มีเรียบร้อยมีคู่ครองเรียบร้อยไม่มีปัญหาอะไรมีลูกมีเจ้าสืบบ่งสาคณะญาติไปได้นาวิสาขามหาอุบาสิกาเป็นพระโสดาบันมาตั้งแต่เจ็ขวบ ก, ก็มีลูกตั้งยี่สิบคนก็ไม่ได้ว่าอะไรปรัญหาประเด็นก็อยู่ที่คุมอย่าให้ถึงกับการมราคาท่วมทับใจจนมีความสับสนในทางเพศ มีการโมดสุมกันในทางเพศจนถึงกับเรียกว่ามอกใจต่อกันระหว่างสามีภรรยาตรงนี้จะเน้นไปที่พระเราจะเห็นว่าเวลาสอนพระนั้นจะใช่ราคาโทสะโมหะเพราะเราพระไม่ค่อยมีอะไรให้โลกแต่ก็มีปัญหาเรื่องราคาะต้องฝึกบูอควบคุมจิตใจตัวเอง แต่ต้งหมดที่จริงก็คือโลภะเรื่องโลภะนั้นเป็นอาการของความโลภที่มุ่งตอบสนองความต้องการของตนในด้านรู้สึกว่าตนได้มีตนได้เป็นแสวงหาความสุขจากการมีการเป็นคือเรื่องของการมาราคานั้นเป็นการมุ่งแสวงหาความสุขทางเนื้อหนัง ซึ่งั้งหมกก็คือตัววัตถุกรรมทั่นั้นที่วัตถุกรรมตัวนี้ไม่ใช่ไม่ว่าจะเป็นสิ่งซึ่งเราได้เรามีเราเป็นหรือความสุขที่ทางเนื้อหนังก็ตามมันก็ตรองอยู่ในกฎของความไม่เที่ยงเป็นทุกข์หรความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมดาของมันแต่คนต้องมาทำบาปเพราะสิ่งที่ไร้าสาระไร้แก่นสารได้บ้าง ภูมิภาคก็สอนในลักษณะสํารวมระวังในจุดนี้คือไม่ถึงกับไปดับความโลภไม่ถึงก็ไปดับราคะเพียงแต่ว่าพวกกลุ่มโลภะาา พ, พวกกุมราคะพราะอากิเลสทั้งสองประเภทนี้ที่จริงเป็นกิเลประเภทสร้างข้อแรกก็คือพัฒนาชาติบ้านเมืองข้อที่สองคือพัฒนาประชากร มันเพิ่มประชากรขึ้นในโลกแต่ถ้ามากแล้วมีปัญหาหมดเพราะอะเพราะว่าวัตถุสิ่งของในโลกมีจํากัดถ้าเราคุมโลภไม่ได้จํากัดความโลภไม่ได้เนี่ยในสุดก็จะแย่งกันจะ ต, ต่อสู้กันจำนวนประชากรเองก็เหมือนกันคือถ้าเราควบคุมไม่ได้เพราะเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าระเบิดประชากร ถ้าประากรล้นโลกโลกก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันด้านเราเคยได้ยินคำพุทธศาสานสภาคิดบทหนึ่งที่ว่านัสยาโลกวัตถโนเราแปลกันว่าอย่าทำตนเป็นคนรกโล ก, โลกแต่จริงแล้วถ้าเราดูที่ไปที่มาของพระพุทธภาสิทธ์นี้ เป็นการเน้นไปที่การอย่าเพิ่มประชากรโลกเป็นการสอนเรื่องเนนสามะเนรกับหลานสาวของนางวิสาขาซึ่งก็เด็กรุ่นหนุ่มรุ่นสาวเนวรนี่ก็เด็กรุ่นหนุ่มก็ไปพูดจาเยอะเย้ยกระแนะกระแหน่อะไรต่ะไรกันพระเจ้ากระโงบรพับเรื่องนี้ก็รับสั่งพอนี้ จะหมายความว่ามุ่งให้ทำเลนั้นตัดกระแสตัดหาบรรเทาการมราคะเพื่อไม่ต้องย้อนกลับเข้าไปสู่การพัฒนาประชากรโลกมันคำคำสอนในเรื่องเหล่า น, นี้จึงจะมีลักษณะขัดเกลาไปเร้ๆจะในสังโยคที่กราสังโยคที่กราไว้ในวันเสาร์ก่อนนั้น เราเียนว่าพอมาถึงจุดนี้เป็นการพูดถึงสิ่งที่พระริยบุคคลนันละได้เรียงลำดับมาจากหยาบมาจะหามาหาละเอียดเป็นการเริ่มต้นที่ความหลงไปจบที่ความหลงพูดที่ความหลงอย่างหยาบไปจบที่ความหลงอย่างละเอียดจึงไม่ได้พูดถึงโลภะแต่พูดถึงราคาท่นนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่า คนเราทันละสกย า, า, าติทิวิจิกิจสาศีรัปตรามาตได้เนี่ยีห้ามันสมบูรณ์หมายความว่าไม่ถึงกระทำอะไรไปตามหน้าของความโลภ ก, การบัตรสีห้ามันจะกลายเป็นธรรมห้าคือกับคนกัตสัตว์ก็จะมองกันด้เมตตา การพูวัตถุการมันคือวัตถุสิ่งของทั้งหลายที่ต้องบริโภคใช้สอยจะมองไปในแง่ของสมาธิหรือมีการแสวงหาแต่เป็นการแสวงหาในทางที่ชอบธรรมในเรื่องคู่ครองก็คงมีคู่ครองเพราะเป็นพระโสดาบันด้นั้นเองที่ร่าได้มองไปที่การมาสองบทคือการสํารวจระวังในทางการม เป็นผู้หญิงก็มีสถาปฏิวัตคือพักดีในสามีเป็นผู้ชายก็มีสถารสนโดยินดีในปัญญาตัวเองก็หมายความว่าคุมไฟราคะไม่ให้เผาหล่นใจตัวเองแต่ไม่ใช่ถึงกระดับในด้านวาจาก็พูดวาจาที่เป็นคำสัตย์คำจริงส่งเสริมสมัครีภาสาสมัครีกระชับสามัคคีแล้วก็คำที่ไประอ่อนหวาน ผู้ฟังได้รับประโยชน์จากการฟังเราข้อสุราก็ไม่ดื่มมีสติแต่ไม่ใช่สติสมบูรณ์เป็นระดับของสติที่ยักยั้งชั่งใจได้ปีการกระแสกิเลสอารมณ์ได้ไม่ถึงกับทำออกไปทางกายทางวาจาแต่ว่าทางใจนั้นไม่ใช่สงบไปหมดนั่นก็มีอยู่ เพียงแต่มีอยู่ในระดับที่ไม่เป็นพิษ เ, เป็นภยัยเพราะเมื่อศีลสมบูรณ์เนี่ยการกระทำในลักษณะที่ร่วงเกินต่อทรัพย์สินคนอื่นมันก็ไม่เกิดขึ้นไม่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเองแต่ภายในใจเนี่ยภายในใจเราต้องมองว่าในนิวรธาเนี่ยมันมีกาามฉันอยู่ หมายความเป็นการเหนียวนึกตรึกนึกด้วยอานาจความใคร่ในสิ่งที่ตนใคร่แต่ไม่ใช่ไปพูดไปทําด้วยอํานาจของความใคร่เพียงแต่คิดด้วยอำนาจของความใคร่ในแง่ของศีลไม่ผิดศีลเพราะศีไม่ได้ปรับที่ความคิดศีลเป็นการปรับที่การพูดและการกระทําดังสัโยอดีข้อที่สี่พระพุทธเจ้าจึงใช้คําว่าการมราคะ แปลว่าจิตที่กำหนัดในวัตถุกรามด้วยอำนาจของความใคร่หมายความมันยังไงหมายความถ้าใจไม่มีความใคร่วัตถุกรมก็คือวัตถุกรามวัตถุกรามมันเป็นโลกใครไปทำอะไรไม่ได้มันเป็นโลกอยู่อย่างนั้นเองแต่มันจะเป็นอยู่สักแต่ว่าเป็นอยู่ ไม่ท้วนทับใจบุคคลไม่ครอบงำใจบุคคลมันเหมือนกับอะไรมันเหมือนกับสถานที่เริงรม์ต่างๆเป็นอันมากที่มีอยู่ในกรุงเทพมหานครเนี่ยคิดว่าสถานที่เหล่านั้นท่านสารชนในที่นี้ไม่มีใครเคยไปทำไมไม่ไปถามว่าคนอื่นเขาไปไมมคนอื่นเขาก็าไป แต่สาธุชนไปไหมสาธุรชนไม่ไปทำไมจึงไม่ไปเพราะปัญญามันเกิดขึ้นคุ้มครองใจคุมกามรมาคะาไว้ได้คุมโลภะไว้ได้รู้อะไรควรอยากได้หรือไม่อยากได้อะไรควรอยากมีหรือไม่อยากมีสถานที่เหล่านั้นมันหลอกคนอื่นบางพวกได้แต่ว่าหลอกคนที่มีปัญญาไม่ได้ ทำให้มีได้ไหมมันก็ต้องมีโดยธรรมชาติของมันแต่ว่าใจคนเหล่านั้นจะไม่เกี่ยวเกาะกับสิ่งเหล่านั้นที่นั้นจึงไม่เป็นอันตรายอะไรสำหรับคนดีทั้งหลายแต่จะเป็นอันตรายสำหรับคนที่อ่อนไหวไปตามหน้าของเขาเพราะวัตถุกรรมก็คงเป็นวัตถุกามก็ตั้งอยู่ตามธรรมชาติเขาใจคนไม่ไปเกี่ยวเกาะไม่ไปยึดมั่นถือมั่นไม่กระสันอยากในตัววัตถุเหล่านั้น พรามสงบภายในใจก็มีสภาพปุกลผูนั้นถามว่าได้เห็นได้ยินได้ถูดดมได้ลิ้มได้จับกล้องไม้ขนาดถึงจับก้องในสูดดมได้ลิ้มเนี่ยคงไม่ถึงเพราไม่ได้เข้าไปแต่ถ้าได้เห็นได้ยินได้ฟังก็มีได้เห็นอย่างน้อยก็เห็นภาพการโฆษณาได้ยินก็ได้ยินข่าวการพูดจากกันปูตังวิทยุโทรทัศน์อะไรแตมีเป็นนั้นมา แต่ไม่ถึงกับสัมผัสด้วยการถูดตรงด้วยการลิ้มด้วยการจับต้องในขณะเดีวยวกันการเห็นก็สักแต่วระเห็นได้ยินก็สักแต่วระยินได้รู้ก็สักแต่วระรู้ไม่ได้ตกอยู่ภายในใจซึ่งเหล่านั้นจึงไม่มีอำนาจอิทธิพลเหนือใจเพราะ ใ, ใจได้ยกขึ้นเหนือการยั่วยวนการรั่วยุบ ข, ของสิ่งเหล่านั้น คือการกระทำใจเหนืออารมณ์อารมณ์นั้นมีไม่ใช่ไม่มีแต่ว่ายกใจขึ้นเหนืออารมณ์หลอดนั้นคล้ายๆกับที่เราปฏิบัติไม่สนใจคนบ้าไม่ว่าคนเมาคือหมายความคนบ้าก็คงมีคนเมาก็คงมีแต่เราไม่ใส่ใจไม่ได้ถือสาหาความกับคนเหล่านั้นเพราะว่าคนอื่นอาจจะมีปัญหาแต่สำหรับเราแล้วก็ไม่มีปัญหา ธรรมปฏิบัติจึงมีผลที่เรเรียกว่าเป็นปัจจดตตังคือรู้เห็นได้เฉพาะตัวเองตัวตนนี้ไปขอให้ตั้งใจตัางความสงบสุขต่อไป